أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ل و كان فيه ما آله ة إلا الله لفسدته. ل و كان فيه ما آله ة إلا الله ل ف س د ت ا فسبحان الله رب العرش مما يصفون لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون ไม ت َะ خذو من دونه آ ل ِ ه ا قلها تبرهانكم ق ه ا ت ب ا ن ك م هذا ذكر من معي وذكر من قبري ذ ذِكْرُ م َ ن مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ ق َ ب ْ ل ِ ي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعَارِضُونَ فهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه إلا نوح إليه أنه أنه لا إله إلا إلا أنا فاعبدون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما ي, ي ه د ِ الله فلا مضلله و م ْ يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله مبك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت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 รับบีอาอุ้มบีค์จากในอาดับในนาร์และอาดับในลับร ا ل س ل ا ي م ة الله و ب ر ك ا ت ขอบคุณอัลลอฮ์ ا ن ه และ تعالى นั่นอัลลอฮ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมานะนะนะนะนะนะนะนะนะนะ ا ل นะน ه นะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะน อภัยนะบัดม่า amatana ไว้ให้นุชูรทุกคนต้องขอบคุณ a l l a นะจะทานอาหารก็อ่านบิสมิลลาห์เมื่อทานอาหารอิ่มแล้วก็ต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ให้ฝึกเป็นนิสยัยให้ติดเป็นนิสยัยขอบคุณ a ل l a ที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานแต่อทิตย์ที่แล้วเนี่ยเดินทางด่วนนะ ขึ้นบินออกหงงงเช้าก็อาละไปมาเลเซียมาแล้วก็ไปทำธุระเกี่ยวกับนักเรียนนี่แหละลฮดูดีแิละก <c oughs> ็สาเร็จนะครับขอบคุณอัลลอฮสุบฮานาฮูวตาลาวันนี้เรามาทบทวนอัลกรุรอานอัลลอฮนี่การจ้องดูอัลกุรอานเนี่ยทำให้อะไรดีสายตาดี จ้องดูอัลกุรอานจ้องดูใบตุลลอจ้องดูสีเขียวเขียวนะเช่นน้ำทะเลและจ้องดูใบหน้าของพ่อแม่อลรรมีบราระกัดในชีวิตมากเพราะว่าเราเดินตามที่ท่านนาบีสัง่งนะครับท่านจ้องดูอัลกุรอานเนี่ยทําให้สายตาดีนะ แล้วก็วันนี้เรามาทบทวนกุรุอ่านสุรษะอัลอัมบียะอยายะที่เท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองครั้งที่แล้วเนี่ยมาถึงอยายะที่ยี่สิบเอ็ดแปลไม่หมดม น, นึกออกอะมิตตะฮะดูอาลลิฮะจัมมินัลอารด์ดฮุมยุนชิรู <c oughs> พวกเขาไปพวกเขาหมายถึงพวกปฏิเสธเนี่ยยึดถือพระเจ้าย่อยๆจากแผ่นดินนี้หมายความว่าพวกท่านเนี่ยเอาพระเจ้าย่อยๆจากแผ่นดินนี้เนี่ยนับถือพระเจ้าย่อยๆกันนะั้นหรือพระเจ้าย่อยๆยังมีอยู่ในะสมัยนบีก็มีหนูมีมลาชื่อนะลาอูซามีอยู่ห้าหกรายการ ลาอูดามานาะนะครับน บ, บีเคยถามนี่นะเคยถามคุณกาเฟส น, นะน บ, บีไม่ได้ตำหนินะไม่ไดีไม่ได้ตาหนิสิ่งอื่นที่เขาบูชาอยู่น บ, บีไม่เคยตำหนิเลยนะน บ, บีกลับถามอย่างนี้วันนี้คุณเนี่ยกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชากี่องค์ ประชาคนที่บอกว่าห้าองค์ก็มีชื่ออะลาดอุจารพวกเนี้ยแล้วก็กถามว่าองค์ไหนที่คุณมั่นใจอะองค์ไหนที่มั่นใจที่สุดน่ะพวกอยู่ข้างบนไอ้ข้างล่างเนี่ยไม่มั่นใจเลยเ <c oughs> นี่ยนเะห็นยางวันนบีเนี่ยไม่ไม่เคยตําหนินะไม่เคยตําหนิคนที่บูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ แล้วดารบีก็บอกว่าจะหากคุณมั่นใจข้างบนอันเดียวสิ่งเดียวสิแต่สิ่งอื่นคุณทิ้งให้หมดฉันจะสอนอะไรคุณอีกหลายๆอย่างแล้วต่อมาชายคนนี้ก็เลิกบูชาอัลลอฮ์องเดียวนับถืออัลลอฮ์อง์เดียวก็ถือมาเข้าอิสลามแลร์บีก็ให้ความรู้เพิ่มเติมอีกมากมายจะด้านการไปทำนีพระเจ้าอื่นๆนะครับในอิสลามเนี่ยไม่ส่งเสริม ะะเรามีหน้าที่เชิญชวนอย่างเดียวนะเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์นั่นแหละหน้าที่เราเพียงแค่ น, นั่นแหละแก็พยายามอธิบายว่า Allah อัลลอฮ์เนี่ยอยู่ยังไงอัลลอฮ์เป็นยังไงลักษณะสิศาตของอัลลอฮ์มีอยู่เท่าไหร่อธิบายเรื่องนี้อย่างเดียวเหมือนกันตอนที่นบีอยู่ที่นครมกกาฬนายบีไม่เคยพูดเรื่องจะเวต ท, ที่อยู่ในก้าวบ้านเลยนะไม่เคยพูดเลยพูดเรื่องอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งนุนอัลลอฮ์สั่งนี้อัลลอฮ์ให้มีกลางคืนให้มีกลางวัน อัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นอัลลอ์มีสรรพสิท์น บ, บีพูดอย่างนั้นแหละแต่พอท่านน บ, บีมายึดนครมักกะเสร็จพอยึดเสร็จท่านบอกกัยนา อ, อานาอบูบักว่าอบูบักช่วยจัดการรูปเจเวตอยู่รอบรอ บ, รอบกะบาน360่อาสารยหกสกรคตอออกไปหมดคือเป้าหมานี่อยู่ข้างในแต่ไม่ได้พูด ท่านหลายๆอย่างน ะ, นะครับน บ, บีไม่ได้พูดหอกนึกอยู่ในใจว่าจะต้องเคลียร์สิ่งนี้เ อ, ออกให้หมดวันนี้ธรรมโุลินเลยที่มั ก, ก้าไม่มีแล้วในเด็รุรนในก้าบ้านเนี่ยไม่มีแล้วหมดแล้วแต่ยังยังอยู่ที่ใจคนอีกเยอะทําไงจะให้หัวใจของคนทั้ ง, งหมดในโลกเนี่นะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกออกไปให้หมดเอาออกจากสถานที่เนี่ยมันง่ายแต่เอาออกจากหัวใจ ผมอ่านมาวัานอ่านหนังสือพ่ออ่นเล่าตรงนี้เลยนะอ่านนั่งที่สหัสยายกันนั่งทางบินมาเมื่อคืนเนี่ยนะครับมีพวกพวกใทรอ่ะพวกบันิอิสร อ, อีนถามนบีถาม น, า บ, ามนาบีมูซาบอกนี่นบีมูซาเนี่ย สถานที่ใดบ้างที่อัลลอ์ชอบลงมาบนหน้าดุญยาบนโลกดุญยาไปเนี่ยอัลลอ์ชอบลงมาที่ตรงไหนมากที่สุดนักบุญมุซ่าบอกว่าอัลลอ์ไม่ลงบนแผ่นดินเนี่ยนะเป็นสถานที่เนี่ยอัลลอ์ไม่ลงนะแต่จะลงมาที่หัวใจอัลลอฮ์ว่าอัลลอ์จะลงมาที่หัวใจของคน หัวใจของคนที่สะอาดบริสุทธิ์หัวใจของใครก็ตามแทรตรักอัลลอฮ์มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์องเดียวไม่มีชีริกแล้วก็ไม่ทําบิดาเลยนะหัวใจเขาสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะลงมาที่หัวใจของคนคนนั้นอัลลอฮ์เป็นคําตอบที่ดีไหมนี่ไงมาเป็นเป็นนบีนบีตอบปัญหาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยอัลลอฮ์อักบะต์นี่ผมอ่านแล้วมันคนลุกอะ ท่านจะให้อัลลอฮ์ลงที่สุร่าลงก็ไม่ลงลงที่สภาอัลลอฮ์ก็ไม่ลงบ้านบ้านใครที่มีพรมเยอะฉันก็ไม่ลงอ่ะฉันจะลงมาที่ไหนนะมาที่หัวใจอัลลอฮ์อัลกุรมาถึงอัลลอฮ์จะประทานรอฮมาเนี่ยมาถึงวัยประทานรอฮมาลงมาที่หัวใจประทานความแบบในความดีบารักัดลงมาที่หัวใจของคนที่รักอัลลอฮ์มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลแล นั่นวันนี้ทำทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์นะทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอสุบฮานาหูวาตาละครับฮุมย um ุนชิรุนถามว่าพระเจ้าย่อยๆต่างๆเหล่านั้นนะที่มนุษย์กราบอยู่ในวันนี้นะถามว่ามันคนตายเนี่ยมันสามารถทำให้ฟื้นขึ้นมาได้ไหมยุนชิรูนเนี่ย ถ้าอ่านเป็นตัวซอสแปลว่าช่วยเหลือถ้าอ่านเป็นตัวเชนแปลว่าอะไรนะอ่าทําให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากตายไปแล้วได้ไหมนี่อัลลอฮ์าถามในคัมภีร์กุกรอานนี่ภาพเหล่านี้เนะี่ยมันภาพอาคิรอดทั้งหมดนะอายานี้สอนภาพหรืออาคิรอดทั้งหมดคนที่จะฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องตายก่อนใช่หรือไม่ใช่นี่เราเชื่อแบบนี้และเราศรัทธาแบบนี้นี่แหละ ระวังนะทำให้อิมาเนี่ยทำให้บากรนะับในชีวิตนะ่ะเต็มไปหมดเลยนะเอาวันนี้มาเจออายะที่ไหนนะอายะที่ยี่สิลาวกาณฟีมาอาลิฮ์ตุนอิลลัลลอฮุลาฟัสซาดะต์ฟาสุบะฮันัลลอฮิรับบุลอาร สิ่งอื่นอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่เปานมะ อามาดูคําแปลนะครับเหลากานาฟีฮิมาอาลีฮาตุนฟีฮิมานี่แปลว่าในทั้งสองถ้าในชั้นฟ้าและแผ่นดินเหลากานะถ้าหากได้มีอาลีฮะแปลว่าพระเจ้าอาลีฮะแปลว่าพระเจ้านะครับส่วนรอบบุญนี่แปลว่าพระผู้อภิบาลแปลไม่เหมือนกันนะ อันนีฮะแปลว่าพระเจ้าเช่นเรกากล่าวว่าเลออิเลฮิลลออแปลว่าอะไรนะอัลลอฮ์น่ะเป็นพระพระเจ้าไม่มีสิ่งใดนะครับที่จะศักดิ์สิทธิ์เท่ากับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาตาอาดาส่วนรอบบุญเนี่ยแปลว่าอะไรนะพระผู้อาภิบาลอ่า แค่นั้นการรู้จักอัลลอฮ์นี่พูดเรื่องสิ่ักอนะัลลอฮ์ในวันนี้นะพูดสิ่ัตอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยนะครับถ้าหากมีพระเจ้าย่อยๆหลายองค์อื่นจากอัลลอฮ์ลาฟาซาดาตาอยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินอื่นจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะก็จะเกิดอะไรนะลาฟาซาดาตาเกิดความปั่นป่วนเกิดความเสียหายแน่นอน นี่เอาล้อเล่าเองนะเล่าเองเลยบอกว่าบนโลกดุนยาใบนี้ในชั้นฟ้าและแผ่นดินถ้ามีพระเจ้าดูแลแค่สององค์นะครับพระเจ้าอย่างฮินดูเนี่ยศาสนาฮินดูนี่พระเจ้าเยอะสามหมื่นพระเจ้าอะไรนะพระเจ้าฝนพระเจ้าแดดพระเจ้าดูผู้หญิงดูผู้ชายดูเด็ก และพระเจ้าโอ้มีเยอะเลยพระเจ้า ย, ย่ยอยๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่เป็นคําปฏิเสธเป็นเป็นอกีดิดาชาวฮินดูนะเป็นการทําลายอัตติดาชาวอินเดียทั้งหมดที่บอกว่าพระเจ้าในะอินเดียเนะี่ยมีเยอะมากเนี่ยไม่ใช่พระเจ้ามีองค์เดียวพระเจ้าย่อยๆก็ไม่มี อ, อัลลอฮ์เล่าเพียงว่าถ้าหาว่าดุลยาใบนี้นะ่ยชั้นฟ้านะ่ยมีพระเจ้าองค์หนึง่งแผ่นดินมีพระเจ้าอีกองค์หนึง่ง และฟาสาดต า, าแผ่นดินใบนี้โลกใบนี้เป็นไงเสียหายพีนาศแน่โนอนเลยในตักษิณอธิบายทางภาษาอับภาษาอุูดูผมเช็คดออูอธิบายเหมือนกันหมดเลยถ้าหากว่าต้องการจะบอกว่าโลกใบนี้นี่นะหรือว่าประเทศไหนก็ตามถ้ามีกษัตริย์สององค์หรือว่ามีประธานาธิบดีสองคนมีนายกสองคนเป็นไง ไ, ไม่รอดไม่รอดอถึงนี้มีการถอดถอนนั่นนะห้ามเหลือองค์เดียวพอฉะนั้นพระเจ้ามีองค์เดียวนะพระเจ้ามีองค์เดียวอลัลฮัมจุลิลลาอลัลลอฮ์บริหารแต่เพียงผู้เดียวในโลกใบนี้ถ้าหากก็มีสององค์ยกตัวอย่างก็บอกว่าอีกองค์หนึ่งต้องการจะให้ฝนตกอีกองค์หนึ่งจะให้แดดออกแล้วทําไง เหมือนกันแล้วผู้หญิงมีผัวสองคนนึงก็ยุ่งฉะนั้นมีสามีคนเดียวแต่ผู้หญิงบางคนอยู่ในบ้านผัวคนเขานอกผัวอีกคนนึงก็มีแต่นั่นไม่ใช่พวกเรานะเอา้าถ้าหากในจักรวาลนี้มีพระเจ้าหลายองค์บริหารนอกจากอาลัลลอฮ์แล้วระบบการบริหารจัดการจะปั่นป่วนเพราะจะเกิดการขัดกันเองถ้าโลกใบนี้มีพระเจ้าสององค์ จะบริหารจัดการโลกได้อย่างไรองค์หนึ่งให้แดดออกอีกองค์หนึ่งให้ฝนตกอีกองค์หนึ่งต้องการให้มีกลางคืนอีกองค์ต้องการให้มีกลางวันแล้วจะทํำยังไงนี่โอัลละห์ได้อธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆอัลฮัมดุลิละนะครับถ้าต่อมาครับ ฟ้าสุบฮานัลล ا ฮฺรับบุลอัรช์ัมยาซฟุนฟาเนี่ยคำนี้นะให้พูดเยอะๆไม่ใช่นั่งอ่านคุรานอย่างเดียวนะฟ้าสุบฮานัลลอฮฺเนี่ยจากตอนอยู่ข้างนอกเนี่ย อ, อยู่ในรถเนี่ยสุบฮานัลลอฮฺสุบฮานัลลอฮ เดินอยู่บนบ้านสุบา ن อัลลอฮ์อัลลอฮ์ัลลอฮ์อยู่ในสวรกวาตกนไม้สุ ح ا ن อัลลอฮ์ัลลอฮ์ัลลอฮ์ให้ว่าเยอะๆอัลลอ์สอนในคัมภรีอัลกุรอานเนี่ยให้ว่าไงนะฟาสุบฮันัลลอฮ์อัลล์ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งอัลลอ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งฉะนั้นคนมีสอกสอกประเขตประเวทเนี่ยถามผมว่าเอ๊ะทำไม เห็นมุสลิมเนี่ยเขานั่งนับกันเนี่ยสามสิบสามเพราะว่าทั้งหมดที่มุสลิมทํานี่นะจะเป็นนับสุบฮนานอัลลอฮ์สามสิบสามครั้งเนี่ยนะไม่ใช่คิดเองอะ่ะข้างบนทั้งหมดอะ่ะและสามสิบสามเนี่ยมันเลขอะไรนะเลขขี้อัลลอฮ์เนี่ยชอบเลขขี่หรือเลขคู่เลขขี่เอานัดวสาหุสานก็เลขขี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้ สุภาห์นลอเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามหาบริสุทธิ์ยิ่งอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพุนที่ไม่มีข้อตำหนิไม่มีข้อเสียหายไม่มีข้อข้อใดนะ่ะข้อข้อเสียหายไม่มีเลยคนที่พูดชมอัลลอฮ์อย่างนี้เนี่ยดรัตร์ตุ้มซีดหลายๆเข้มอธิบายดีนะเขาบอกว่าคนที่กล่าวสุภาน์นลอเยอะๆน่ะยินวันละร้อยสองรอยหรือพันสองพันก็ได้ ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนะเดินเหินเนี่ยอาจจะเดินสุเหรวงรอก้าวเนี่ยบางคนเดินกันเยอะแต่คุยเรื่องผู้หญิงหมดเลยมันจะไม่จะชมอัลลอย์เลยอะ่ะถ้าชมอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยนะข้อบอกพร่องเนี่ยอุลมามะก็ อ, อธิบายดีนะข้อบอกพร่องที่อยู่ในตัวเรามีอะไรบ้างเราไม่รู้หรอกบางคนก็รู้บางคนใจน้อยเก่งใครพูดผิดหูโกรธนาะเนี่ยข้อบอกพร่องนะเราขี้เกียจใช่ไหม ขีเกียมาทัดยุทธขีข like ข้เกียอ่านคุรานข้อบกพร่องทั้งหมดนใช่ไหแล้วก็ดาเมียเก่งอรสักอย่างน้งเนี่ยแล้วก็ชอบชอบด่าลูกเห็นไหมข้อบกพร่องทั้งหมดฉะนั้นคนที่กล่าวสุานอัลลอฮ์นี่นะอัลลอ์จะค่อยๆขจัดข้อบกพร่องที่อยู่ในตัวเราให้หมดทีละนอยลนอนอนอลดูเลเหอ็นอย่างกับฉะนั้นไอ้ข้อคาสั่งของอัลลอฮ์แต่ละข้อละข้อนั้นเราจะเห็นจริงๆในโลกอาคีรอ เขาะจะสะได้มากเลยอัลลอ์ฉันไม่น่าจะทำแบบนี้เลยฉันน่าจะอ่านสุบฮานอัลลอฮ์เยอะๆเพราะจะากขจัดอะไรนะข้อบกพร่องของตัวเองให้หมดไปทำอย่มงนีลยฟาซุบฮานอัลลอฮ์อัลล์ลเป็นผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งรับบุลอาชะผู้อภิบาลรอบบูกับอิละแปลไม่เหมือนกันนะอิล่าแปลว่าพระเจ้า ส่วนรับบูนแปลว่าพระผู้อภิบาลนี่อย่างตรงนี้มีสองลักษณะสมลักษณะของอัลลอฮ์อยู่ในอาย่านี้นะครับหนึ่งอัลลอฮ์เป็นผู้ไรนะเป็นพระเจ้าละอิลลฮ์าาอิลลอฮ์เนี่เป็นเป็นของอัลลอฮ์นะแล้วก็รับบุนเป็นผู้อภิบาลแห่งอะไรครับอัลลอฮ์ัลซีแห่งบัลลังพระผู้อภิบาลแห่งบัลลัง อามมายาซีฟูนพ้นจากที่พวกเขากล่าวเท็จหรือว่าเสกสรรหรือว่าสร้างขึ้นยาซีฟูนเนี่ยแปลว่าสร้างขึ้นหรือเสกสรรหรือพูดเท็จใส่อัลลอฮ์รู้ว่าคําพูดที่ออกมาจากปากมนุษย์นะอลัลลอฮ์ไม่พอใจยิ่งเลยหรือไม่อะไรอลัลลอฮ์มีลูกชื่อนาอีชื่ออีสาอาลัลลอฮ์โกรธมากเลยนะแค่ท่นคนที่พูด พูดว่านาบีอินซาเป็นลูกอัลลอฮ์มีไหมมีหรือไม่มีมีใครครับกลุ่มไหนก็ต้องรู้เองใครที่พูดว่าอัลลอฮ์มีมีลูกชื่ออินซาพวกยาฮูดีเนี่ยพูดว่าอัลลอฮ์มีลูกชื่ออุซา伊斯ชื่ออุซา伊斯พวกอาหรับในนครมกากวันที่นบีมาสอนศาสนาเนี่ยวันนั้นคนอาหรับชาวมกาเชื่อว่ามาดาอิกานั้นเป็นลูกสาวอัลลอฮ์ ไอเราเนี่ยถ้ามีลูกเยอะอย่างมาแวก็เขาพูดอยู่เรื่อยนะผมมีลูกยี่สบอ็ดคนเขาภูมิใจอะเขามีพระยาสี่คนนะครับทุกคนภูมิใจหมดอะแต่อัลลอ์ไม่ใช่อย่างนั้นอะแปลว่าอัลลอ์ไม่ลูกฉันเล่นงานพวกเธออยู่นี่ใช่ไหมล่ะฉะนั้นอย่าไปพูดว่าอัลลอ์มีลูกฉะนั้นกุลฮวอัลลอฮุอะฮัดอัลลอ์มีองค์เดียวเห็นไหม อัลลอฮุซซามัดอัลลอฮเป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างลำยาลิดอัลลอฮไม่มีลูกว่าลำอยู่ลอะและอัลลอฮไม่มีพ่อคนที่อ่านสุรอนี้สุรอเดียวนะวันนึงเป็นร้อยร้อยครั้งนะดีมากเลยอับอขอล่าวหรืะนบียืนตุกขอนมาดีนะ แล้วก็มีซอ บ, บ้านนบีคนหนึ่งเสียชีวิตพอเสียชีวิตเสร็จแล้วก็มเลก้าลงมาบอกมาบอกว่ามีซอ บ, บ้านนบีคนหนึ่งเสียเสียชีวิตนบีก็จัดจัดนมาพอนมาเสร็จแล้วก็พอนมาจบนี่นี่มเลก้ามานระมานะประมาณเจ็0 0มื่นกว่า มนามานา ม, มานา ม, มาทให้ย่ะเจ็ดหมื่นกว่านบีก็ถามไปว่าเอ้ยทาไมมาลายกาลงมานามาเยอะเพราะอะไรอ่ะมาขอดูอานให้ด้วยนะเขาบอกชายคนนี้นี่นะอ่านเนี่ยกุนหัวลอหัวฮัดเนี่ยวันหนึ่งเยอะมากอัอลลอฮฺเมตตาครับนั่นท่านการอ่านกุณอ่านนะคุณอ่านมาอ่านได้ทุกอายะห์ละนะคุณอ่านตรงไหนก็ได้พี่ดีหมดน่ะ ถ้าทางเรามาเจาะจงบ้างอย่างอย่างจากคุณวัลลอวะฮัดการนมาศก่อนอใช้ไหมคุณวะลอวะฮัดใช่ไหมรักอัตที่สองเนี่ยนบยีจะให้อ่านเนี่ยโซร่าแรกอะไรนะอ่านกุลิยารักอัตที่สองอ่านคุนฮุวะลอเอาล็อกให้บรารักากับชีวิตของเขาขนาดตายนี่นะส่งมาเลยการมานามาศให้น่ะห้ามจุลิลละขนาดไหนครับไปเนาะอ่าอี ก, เ, ออกออเรื่องหนึง่งชาวบ้นานนบีมีอยู่คนหนึ่งชื่อท่านฮัมซอละ ฮัมซาด้าเนี่ยเป็นสาวบ้านนาบีรักอลัลลอฮ์รักรอซูลมากเลยแต่งงานแต่งงานคืนแรกนเนี่ยพอแต่งเสร็จแล้วเนี่ยนะยังไม่ทันจะอาบน้ำยานูยานาบะอะาบน้ำยูนุปอ่ตอนเช้ากว่าจะตื่นมาจะอาบน้ำก็จะมาจะมานามาซูบอนได้ยินนบีเชิญชวนว่าใครจะออกทําทําสงครามบ้างเนี่ยสตูมาแล้วอ่ะท่าน กำลังอาบกำลังจะอาบน้ำแบบเดินออกจากบ้านเลยบอกพายาฉันไปแล้วพอนบีเชิญฉันแล้วเนี่ยก็ออกไปออกไปก็ไปเสียชีวิตที่สนามรบพอเสียชีวิตเสร็จนี่เนี่ยนบีเห็นศพในระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยเห็นมล า, ายกามาอาบมาอาบน้ําให้นาบีก็งงอนะ่ะเอ๊ะเพราะว่าคนที่ตายเฉยเนี่ยต้องอาบน้ำไหมอ่าต้องห่อผ้าไหม ไม่ต้องทาอะไรเลยอ่ะเอาอาวุธออกอย่างเดียวแล้วก็ฝังไปเลยนบีก็สงสัยท่านทันโซลานี่มีอะไรหรือถึงมีพิเศษที่สุดเนี่ยก็สื่อไปถึงที่พลายาที่บ้านทราบข่าวว่าพลายาเล่าว่านี่กล้ากับฉันคืนแรกนะครับเมื่อร่วมหลับนอนเสร็จแล้วยังไม่ทันอาบน้ำจะนาบ้านเนี่ยแล้วก็ออกจากออกจากบ้านเลยมาช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์สุภาพนวลแล้วก็มาเสียชีวิต อัลลอฮ์ส่งมาลายิกามาอาบน้ําให้เรียกว่ากอซีลุลมาลายิกาถามว่าอัลลอฮ์ชอบอะไรเนี่ชอบคนที่รักอัลลอฮ์แล้วก็ปกป้องรักาศาสนาอัลลอฮ์แล้วก็ปกป้องาศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักมากอัลลอฮ์พอใจมากขนาดคนนี้เนะี่ยนะมีนาณบ้าอยู่ไม่ได้อาบให้มาลายิกาลงมาอาบน้ําให้เหมือนกั น, นยันตะ์คนที่อ่านกุรุอ่านสุรอกุ ล, ลวันลอวะฮัดจะรู้ความหมายเยอะๆเะนี่ยนะ อัลลอฮ์ให้มาเลก้ามานามาตอัลลอฮ์ายานาซ่าให้กับคนคนนั้นทำเดียวนี้แล้วเนี่ยความรู้ที่เราได้จากอ า, า ก, การตับซีดอัลกุรอานนะครับอาทีนี้อายาณี้ของการจะเตือนเราว่าอย่าไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เล่าเองนะถ้าหาวันโลกใบนี้มีพระเจ้าสององค์บริหารพังหรือไม่พังพังแน่นอนเลยเหมือนกัน ผู้หญิงมีผัวสองคนก็พังเหมือนกันใช่ไหมประเทศทุกประเทศมีผู้นำสองคนก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องมีคนเดียวนะครับส่วนภรรยาผู้ชายมีภรรยาหลายคนนะได้ไหมได้แต่ต้องบริหารให้เก่งถ้าบริหารไม่เก่งก็พังอีกเหมือนกันใช่ไหมพังหมดนั่นต้องบริหารเก่งๆฉะนั้นนบีบริหารงานเก่งมากเลย ฉะนั้นไม่ได้ไม่ไม่ได้เชิญชวนให้ผู้ชายและวุีพาทุกคนเยอะๆนะไม่ใช่ถ้าบริหารไม่เกง่งอย่าสู้เมียไม่ได้ก็จบแล้วเมียบนแล้วก็นอนไม่หลับแล้วฉะนั้นต้องต้องบริหารเกง่งๆนั่นทำให้ดูอัลลอฮฺเป็นแบบแล้วก็ดูนบีเป็นแบบนบีเป็นบุคคลสำคัญมากเดอรฮัมเดอร์ลีเนะเอาต่อมาอายาที่ยี่สิบสาม לא يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. الحمد لله. Allah نصفات Allah ดีมากครับแปลว่าอะไรครับ لا يسأل อัลลอฮ์หรือพระองค์มิทรงถูกสอบอืัอลลอฮ์จะไม่ถูกสอบให้อธิบายอัลลอฮ์จะไม่ถูกสอบให้อธิบายนะครับเกี่ยวกับที่พระองค์ปฏิบัติอา ม, มายะฟันจะไปถามอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ชายเกิดมาเป็นผู้ชายทําไมอธิบายหน่อยอัลลอฮ์ให้ชายเกิดเป็นผู้หญิงทําไม Hai, อัลลอฮ์ให้ดวงอาทิตย์มาทาไมคุณคิดเองที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วนะท่านจะไม่ต้องไปถามอัลลอฮ์นะไปพิจารณาของที่อัลลอฮ์สร้างบนโลกดุนยาใบนี้นะคุณจะได้ความรู้เต็มไปหมดไม่ต้องไปถามอัลลอฮ์ฉะนั้นสิฟตัตของอัลลอฮ์ข้อหนึ่งในเกสบเก้าพระนามก็คือลาอูสอาลูอามายาฟอาลูพระองค์มิทรงถูกสอบถามนะครับ ให้อธิบายเกี่ยวกับที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาวะฮุมยูสอูลูแต่พวกเขามนุษย์และทุกสิ่งเนี่ยจะถูกสอบในพฤติกรรมของตนเองอลัลลอฮเห็นอย่างครับฉะนั้นมนุษย์ถ้าอ่านกรุรานเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะตอบคำถามอลัลลอฮ์ในวันตรียมัมัตวันนี้อลัลลอฮ์ให้มนุษย์ถามกันเองสอบกันเอง แต่พอตายไปแล้วนะอลัลลอฮ์ถามที่กูโบต้องนึกเลยครับท่า น, นคนที่อ่านกุอูอานเนี่ยเป็นคนดีหมดอัลฮัมดุลิละตัวรูว่าหลังจากตายเนี่ยอลัลลอฮ์สอบเราสองเที่ยวรู้เป่าสองเที่ยวที่ไหนบ้างต้องจํานะเที่ยวแรกเที่ยวแรกสอบที่ไหนที่กูโบสอบกี่เรื่อง สเรื่องสี่เรื่องบอกไว้ยังบอกไว้แล้วถ้าเป็นข้าสอบเขาเรียกข้อสอบอะไรข้อสอบรั่วนักเรียนชอบข้อสอบรั่วนักเรียนชอบพ่อก็ชอบข้อสอบรั่วอา้อาวอัลลอฮ์สอบกี่เรื่องหลังตายแต่พออ่านฮะดิสล้วนะอสอบกี่หนึ่งมัรอ บ, บุกะมัล น, นาบียุกะมัลอิมามุกะมาดีนุกะสอบสี่เรื่องสีข้อเองมันจะสอบเยอะ สอบไม่ได้เต็มไปหมดเลยไม่ใช่ท่องไปนะต้องปฏิบัตินะปฏิบัติไม่ใช่ข้อเขียนด้วยถามหัวใจเลยนะอยู่กับใครอยู่กับอัลลอ์ไหมรู้จักรอซูลไหมอยู่กับอัลกุรอานไหมอยู่กับนบีมุฮัมมัดไหมอยู่กับอัลอิสลามไหมสี่เรื่องนะหนึ่งใครเป็นพระเจ้าสองใครเป็นนบี อิหมามของคุณคือใครคือคุรานนะคำว่าอิหมามมายถึกคุรานแล้วข้อที่สีเนี่ยอะไรศาสนาที่คุณนับถือศาสนาอะไรสี่ข้อครับได้คนที่มาสอบนี่นะเขาเรียกว่านาเกสมุงกัเขาไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักเขาต่างคนต่างไม่รู้จักกันสอบดีไหมล่ะโอ้โหก็ว่าถ้าเอาสองคนรู้จักกันมาเนี่ยสอบไปยังไงก็แกงใจใช่ไหม เห็นหน้าพวกแล้วนี่นกิีตมุงก็แปลว่าต่างคนต่างไม่รู้จักซึ่งกันแล้วกันทีนี้พอไปอ่านเรื่องความตายนะเรื่องอ่าเรื่องการถูกสอบนี่นะรู้ไหมคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์คนที่ปฏิเสธอิสลามคนที่ปฏิเสธสุนนะนบีคนที่ปฏิเสธอัลกุรอานนี่เป็นตัวอย่างเวลาตายปั๊บเนี่ยนะพอตายปั๊บ อะไรนะเอาตอนยกใส่ใส่โลงอะ่ะพอใส่โลงปั๊บรงเลยนะตะโกนเลยพอใส่โลงปั๊บนี่ตะโกนเลยเนะี่ยภาษาอุดูว่าจิ๊กจิ๊กนะตะโกนดังเลยนะแต่อัลลอไม่ให้มนุษย์ได้ยินและยินสองกลุ่มนี้ได้ยินสิ่งที่จะได้ยินก็นคือสรรพเสิยงทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้แต่มามันก็ได้ยินละบากเพราะมันอยู่ในโล่งอะ ชุดที่สีเหลี่ยมนี่ใช่ไหมวก็ปิดฝาดูข้างบนน่ะใช่ไหมพอยัดใส่ลงปั๊บนี่ตะโกนเลยแล้วก็ตะโกนว่าไงรู้ไหมลาตุกอดดิมูนีนี่นบีเร่าให้ฟังนะลาตุกอดดิมูนีอย่าพาฉันไปอย่าพาฉันไปอย่าแบกฉันไปอย่าหิวฉันไปไปไหนอะ่ะไปฟังในกูโบง นี่นบีเล่านะคนที่ไม่เอาศาสนาพอจับใส่โลงปับ๊บตะโกนเลยโอ้ย อ, อย่าพากรไปไหนแต่เนื่องจากโลงมันปิดและไม่ได้ยินคนแบกไม่ได้ถ้าคนแบกได้ยินนําทิ้งหมดแล้วเนี่ย ท, ที่อยู่ในสรงสทัยเราเป็นกันหมดแล้วนี่อลัลลอฮ์ไม่ให้ได้ยินนะแต่นบีเล่าให้เราฟังอ่ะ เพราะนบีเล่าในเรื่องจริงหมดเลยโอ้โหจริงนะท่านของที่นบีเล่าเรื่องโกหกไม่มีเรื่องตอแหลไม่มีเรื่องจริงทั้งหมดนะ่ะแต่ว่ามนุษย์ไม่ได้ยินยินไม่ได้ยินสัพสิง่งอื่นได้ยินหมดแลาตูกอดดิมูนีลาตุกอดดิมูนีอย่าพาชนไปอย่าพาชนไปร้องตะโกนไปยิ่งไปฝังอยู่ในโกโบพอฝังปั๊บมาไลกามมาสอบอีกน่ะ อันนั้นในภาษาฮัดีอธิบายอย่างนี้อิรามาตูมันมาจากใครที่เสียชีวิตนะฝักก็ะกอมัตติยามาตูหูกียมะวันเกียมะนะนะมายืนอยู่ท้งหน้าเขาแล้วเอาวันนี้ตาเราเห็นอะไรวันนี้วันเนี้ยตาเราเห็นเห็นดุนยาใช่ไหมเห็นอะไรบ้างเห็นโฉนดนะเห็นบ้านเห็นมัสยิดใช่ไหม เห็นที่ดินเห็นรถเห็นประกาศนิยบัตจบปิญญญาเอกด็อร์ปิยตีปิยโทสาำพื้มใจนะรอเห็นหน้าลูกหน้าเมียที่อัลลอฮ์ให้เห็นนะพอเสียชีวิต ป, ปั๊บวิญญาณออกจากร่างเมื่รัยนะเห็นเตี่ยมาเห็นโลกอาคีระหมดเลยเห็นแบบเราเห็นอย่างนี้เลยลนะ่ะเราก็กว้างกันนี้ด้วยอโอ้ยตรุกสวรรค์อัลลอฮ์เมาัยกะ เห็นหมดเลยอ่ะถึงมันเลจะตะโกนอ่ะอูแล้วตัวกอดดิมูนีอย่าพาฉันไปอย่าแบกฉันไปเลยอย่าพาฉันไปฝังที่กูโบเลยอย่าพาฉันไปเผาเลยประกาศดังเลยเอาวันนี้นใส่หลวงทูกศาสนาใช่ไหมใช่พุทธใส่ไหมคริสใส่ไหมใส่หลวงหมดเลยอ่ะนั่นแหละรออยู่ในหลงอั่นแหะ แล้วเลือกก็ไม่ได้ด้วยถูกบังคับในไซโลงอะยิงไปฝังในกูโบ่พอฝังเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมลายก้ามาถามมุสลิมนะถามสี่เรื่องแล้วคนอื่นก็สี่เรื่องเหมือนกันอะ่ะแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้เป็นยังไงเห็นเลยเห็นการลงโทษอยู่ในกูโบเห็นการลงโทษอยู่ในอลัลลอฮบัสซักเห็นการลงโทษอยู่ในนรกเนี่ยอโลเอักบัสทั้นพี่น้องให้คิดตรงนี้ ให้คิดในโลกอาคือรอดเยอะๆอย่าคิดโลกดุนยาเยอะๆเพราะดุนยานี่อยู่กับมันแล้วอันรอดให้แล้วพอแล้วแค่นั้นนึกอาคือรอดเยอะๆเอาผมขอให้นึกนิดนึงคือนึกอย่างนี้คนที่เดินมานามาที่มัสยิดได้อะไรเ อ, เอาเอาเอารังวันในการเดินมามัสยิดก่อนนะคิดอย่างเดียวนะขอให้จําเลยนะ ใครที่นบีฝอนว่าใครที่เดินมานามาที่มัสยิดในเวลากลางคืนกลางคืนมาจากมกรีบอิชา่าสุโบมเวลานี้แหละนะรู้ไหมอัลลอฮฺให้อะไรครับบินูริตามเ ย, ยามานเตีมาเขาจะได้รัศมีแสงสว่างรัศมีเดินอยู่ข้างหน้าเขาได้เดินอยู่ข้างๆมือของเขาในทุ่งมัสชัดในวันเตียามา นี่นึกภาพเดียวพอเองใครที่เดินมานมาที่มัสยิดในเวลากลางคืนในเวลามืดมืดมัสยิดไหนก็ได้ในโลกใบนี้เขาจะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในโลกอาคีรอรัศมีจะเดินนําหน้าเขารัศมีจะอยู่ข้างๆเขาอ้าวทำให้เราเข้าใจยังไงเข้าใจว่าในวันเตียมานั้นที่ทุวงมาชาตินั้นมืดหรือสว่างมืดเลย อา้าถ้ามืดเดินไหวอถ้าไม่มีรัศมีนำหน้าเนี่ย mm hmm. เดินไหวอะก้าวขาออกอผมเคยไปที่ปัตตานีเเขาพาไปเที่ยวในถ้มอ่ะไอ้ต้นขาเข้าก็เปิดไฟพอเข้าไปลึกเดี๋ยวเขาบิดไฟโอโ๋อว ะ, ว ะ, วะผมนึกถึงภาพนี้เลยภาพภาพในวันเกีย ม, โอโมาอ๋อวะไม่กล้าก้าวเท้าอ่ะมันมืดตัวก็เย็นตากฝนร้อนตากฝน แค่นั่นน้องนะนึกภาพโลกอารา์เคโรเยอะๆไม่ต้องไป น, นึกภาพดุนยาบนดุนยาอัลลอฮฺให้เห็นอยู่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบปีเอาอีกภาพหนึ่งอ้าวออีกภาพหนึ่งภาพที่สองโลกอารา์เคโรอัลลอฮฺถามมีวันหนึ่งอัลลอฮฺถามนะว่ากัมลาวิสตุมอาดาดาซีนินอยู่บนดุนยาเนี่ยคุณอยู่กี่วันถามทุกคน่ คุณชีวิตในดุนยาเนี่ยคุณอยู่กี่วันอันนี้เราก็นึกใช่ไหมผมนี่เจ็ดสิบสปีแลว้วบางคนแปดสิบปีแลว้วบางคนห้าสิบปีแลว้วหกสิบปีแลว้วตอบได้หมดแต่พอตายไปแลว้วฟื้นขึ้นมามายืนอยู่ตัวหน้าอัลลอฮฺอัอลลอฮฺถามอีกถามอย่างนี้แหละกัมลาบิสตุมอาดาดาสินินคุณอยู่บนดุนยากี่วัน คำตอบรู้กัไหมลาบิสนายาุมันอาบอดยาุมเราอยู่บนโลกดุนยาแค่วันหนึ่งหรือครึ่งวันเท่านั้นเองตอบเหมือนกันหมดเลยอ่ะอ้าวเพราะอะไรทำไมจึงตอบอย่างนี้ล่ะเพราะอะไรเพราะต้องการจะบอกว่าโลกดุนยาใบนี้มีอายุสั้นนิดเดียวอลัลลอ์มองอ่ะเจ็ดสิปีนะมองแค่ครึ่งวันนะุที ชีวิตจะเป็นยังไงอ่ะฉะนั้นวันนี้นะจะให้ชีวิตครึ่งวันเราเนี่ยอยู่ในนรกหรืออยู่ในสวรรค์คิดเองอัลลอฮ์นี่ครึ่งวันเนี่ยกูทําบาปตลอดเลยแค่ครึ่งวันเนี่ยตั้งแต่เจ็ดมงช้าถึงเที่ยงเนี่ยกูทําบาปตลอดเลยแ เ, เนี่ยกูไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์เลยไม่รู้จกออักรอซูลไม่รู้จกัจกอัลกุรอานไม่รู้จักสุนนะนบี จะเข้าห้องน้ําก่อเข้าไม่เป็นนอนตามโซน่านาบีก็นอนไม่เป็นจะอาบน้าน้มาด ก, ก่อนนอนก็ทําไม่เป็นอะไรกันนะ่ะแค่สามสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงเนี่ยตัดสินตัวเองให้ตกนรกทําไมโอ้นี่มันก็เตือนใจไปนอนฉะนั้นนึกภาพอาคิรโรเยอะๆไปนอนก็เหมือนกันคนที่ไม่นึกภาพโลกอาคิราะเขาขาดทนทั้งดุนยาและอาคิราะยังไม่ถึงวันเกียร ม, มาเลยแค่จับใส่โลนะ่ละลาตุกอดดิโูนี้ อย่าพาฉันไปนะฉันกลัวแล้ว น, นี่ท้านได้ยินนะกูบุงรงโซเรานี่พังหมดนะหนีกันหมดแล้วคนแบกคนแบกก็ทิ้งศพกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วอัลลอฮฺอักุอาอ้าวแล้วยุสลุ่ยายาฟัลุวะฮุมยุสลพระองค์มีทรงถูกสอบให้อยังอัลลอฮจะไม่ถูกสอบครับ เกี่ยวกับที่พระองค์ได้ทรงธทรรมทั้งหมดวะฮุมยูสอาลูแต่พวกเขามนุษย์และทุกคนจะต้องถูกสอบในพฤติกรรมที่ขี้มนุษย์ทำอัลฮามดุ ล, ลิเลเปน้องครับออาวันนี้มาคุยเรื่องสิ่ศัตด์อัลลอ์นิดหนึ่งนะสิศักด์อัลล์นี่เป็นอย่างนี้นะเมื่อผมไปมาเลเซียมีพี่น้องชาวพุทธอยู่สองสามคนไปกับผม ก็นั่งคุยกันมืน่อวานเาคุยเรื่องมุสลิมนะมุสลิมเป็นยังไงมุสลิมเป็นอย่างงี้อัลลอฮ์เป็นยังงี้มันแบบแบบปฏิเสธอัลลอฮ์นะเ่าบอกอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาในสี่แบบเขาบอกสี่แบบเป็นยังไงอ่ะหนึ่งสร้างอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่ <c oughs> มันก็แบบหนึ่งแล้วใครทําได้วันนี้อ <c oughs> แบบที่สองสร้างฮาวามีพ่อไม่มีแม่ <c oughs> โอ้ ออกมาจากซีโคลงใช่ใช่ใช่ใชโคลนิง่งโคลนิ่งมาเป็นผู้เป็นเป็ น, ปนแบบที่สามสร้างนาบีอีซาผ่านแม่ไม่ผ่านไม่ผ่านพ่อและแบบที่สี่นี่ช่างพวกเราเนี่ยผ่านพ่อแล้วก็ผ่านแม่ไอแตง่งไม่แตง่แตงทีเรื่องหนึ่งถ้าแม่แต่งก็มึงถูกลงโทษถ้าแต่งก็ได้รางวัลตอบแทนจาก อ, าอัลลอฮฺ เขาไม่เคยจะยินอ่าเออยังงั้นอลัลลอฮ์ก็เป็นพระเจ้าดูแลโลกบอกใช่อ่ะอลัลลอฮ์ดูแลโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวสร้างมนุษย์มีอยู่สีแบบเท่านั้นแหละไม่มีอย่างอื่นอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่หรือไม่ใช่มาจากอะไรจากดินโตฮาวามาจากซีโครงผ่านพ่อไม่ผ่านแม่นบีไอซาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อและพวกเราวันนี้จากน้าอสวติมีทั้งพ่อและมีทั้งแม่อลัลฮัมดุลิลลา ต้องการจะบอกอะไรให้รู้อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ท่นคนที่ชมอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์นี่นะหัวใจของเขามีบรารัคตคนที่พูดถึงอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยละหัมดุลิเลาะชมอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยมีบรารัคอ์อันนี้นบีสอนต่อไปอีกนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่เหมาะสมยิ่งที่จะได้รับการชมเชยอัลลอฮ์ไม่ต้องวันนี้เราชมเมียมากเกินไป บางทีชมรูปมากเกินไปฉะนั้นอย่าชมเยอะชมเล็กๆน้อยๆพอบุคคลที่จะต้องชมมากก็คืออัลลอฮ์สุบฮานาหูบตาละประการที่สองอัลลอฮ์เป็นผู้ให้การช่วยเหลือที่ดียิ่งใครต้องการจะมีสามีที่ดีต้องขอจากใครขอจากอัลลอฮ์ใครต้องการจะมีภรรยาที่ดีให้ขอจากใครขอจากอัลลอฮ์ให้ขอว่างี้ Allahumma z a w i j a n i ถ้าเป็นผู้หญิงก็มีสามีเจ้าดันซุลิฮันอัลลอ์จะฉันอยากได้สามีที่ดีถ้าเป็นผู้ชายขอภรรยาที่ดีอัลลอฮุมมาเจวิจิเนเจ้าดันสุลิฮันันโอ้อัลลอ์ขอให้ฉันมีภรรยาที่ดีเอาเราเป็นพ่อคนนะ่ะภรรยาเราก็ไม่เอาแ้วสิเผื่อลูกอ่ะ อัลลอฮฺจะขอให้ลูกสาวฉันได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีต้องขอจากอัลลอฮฺองเดียวเอาเรามีลูกลูกใครนะลูกผู้ชายอยากได้ภรรยาที่ดีก็ต้องขออัลลอหฺคุมาซาอวิจนีหรือซาอวิญหูโอัลลอฮฺขอให้ลูกสาวฉันหรือลูกชายฉันได้แต่งงานกับภรรยาและสามีที่ดีมีาศาสนาแค่คำว่าดีเนี่ยนึกเองไม่ได้นะบางคนนึกถึงความรวย นึกถึงความหลอ่อนึกถึงคนมีตระกูลดีมันนึกได้หมดน่ะแต่เวลาเลือกก็เลือกยังไงต้องเลือกเอาคนที่มีาศาสนานำหน้าเพราะาศาสนานมันยิ่งใหญ่ที่สุดน่ะแค่นั้นการนำนะครับเอ า, าศาสนามาอยู่ข้างหน้าเราเดินตามคาสอนของอัลลอฮ์ถึงมันจะลำบากนิดหนึ่งเหนื่อยนิดนึงแต่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ ชีวิตหลังตายดีเมื่อต้องโวยวายตอนอยู่ในโลกแล้วมุมุข ม, มินที่ตายนี่นะตอนอยู่ในโลกนะมันก็มันก็ตะโกนมันกันตะโกนอย่างนี้ก็ดดิมูนีรีบพาฉันไปไวไวไอ้คนแมวศาสนาว่าลาตัวก็ดิมูนีอย่าพาฉันไปเอาไงดีผมว่าพาฉันไปไวไวหน่อยเถอะไปไปฝังไวไว พอฝังแล้วฉันก็ได้รับรางวัลที่ฉันได้สะสมเอาไว้ก่อนตายเอาตัวเราเราต้องให้มีเสียงอย่างนี้นะก God Diumi รีบพาฉันไปเธอไปฝังที่กูโบโไวๆนะเอาทีนี้อลัลลอ์เนี่ยสร้างมนุษย์มานี่นะในสี่แบบและอัลลอ์สร้างมนุษย์นะแบบา ม, ษมานะอยู่ในมดลูกเนี่ยอยู่ในที่มืดสามมืดอยู่ในที่มืดสามมืด อ, ใ อ, อูในคัภีรุณอ่านอธิบดีอัลกุรอานบมดอัลลอฮ์สอนว่ามนุษย์เนี่ยเด็กที่อยู่ในครันมารดาเนี่ยนะอยู่ในที่มืดสามที่มืดทับไปทับมานะสามขั้นรู้ได้ไงนคัมภีร์กุณอ่านอธิบายไว้และรับอิสลามกันมาแล้วนะพอไปเจอเนี่ยไปไปวิจัยเรื่องเด็กอย่างกี่อยู่ในคันมารดานี่แหละเอมสามมืดไปวิจัยวิจัยก่อน อ, าอ่านอัลกุรอานไปวิจัย ชางคนเชียงใหม่นี่ท่านไงนี่ยหมอที่เชียงใหม่เนี่ยรับอิสลามไปวิจัยเรื่องเด็กที่อยู่ในคันมารดาอยู่ในที่สามมืดหนึ่งมืดเลยนะมืดอยู่ในท้องสองอยู่ในมดลูกสามอยู่ในถุงน้ำคร่าพอวิจัยเสร็จก็ได้รางวงัลตอบรางวัลมาเส็จแล้วมาเจอกุรานอเลอก ว, ว่าฉันสร้างมนุษย์อยู่ในครันมารดาอยู่ในสามมืดด้วยกัน ไปไปเปิดตำสินดูสามมืนหมายถึงทองคุมอยู่ข้างนอกสองอะไรมดลูกสามถุงน้ำคร่ำรับอิสลามเลยเอา ล, ล่ะไปวิจัยทั้งหลายปีมาเจอกุรอ่านอ้ลร้ออธิบายไว้แล้วเพิ่รู้เห็นอย่างครับฉะนั้นวันนี้นะคนรับอิสลามจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอ้คนด่าก็ด่าเยอะขึ้น <c ười> ใครด่าก็ตายไปแล้ว1ุดก็ที่สองศพใช่ไหม ที่นนยฝรั่งเศสฝรั่งเศสแต่มันแปลกนะในเมือวันซื้อเนี่ยรับอิสลามอีกคนหนึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ในฝรั่งเศสนะยอมจานวนตนต่ออัลลอฮ์น่ะนี่พี่น้องศา ส, สนาอิสลามเนะี่ยจะเป็นศาสนาเดียวครองโลกใบนี้ตอนสมัยนบียังมีชีวิตอยู่นะ่ะคนที่รับอิสลามทำให้อิสลามเข้มแข็งนะคา สตรเนอะไรไตรเนาอุมาตรอดีรลองค์อันดูพอรับอิสลามปับ๊บท่านยืนประกาศใครจะทวารอิสลามเชิญไม่มีใครกล้าวันนี้ก็เหมือนกันคนจะรับอิสลามทีละคนละคนละคนอาจจะเป็นรัฐ ม, มนตรีประเทศไหนก็ได้เราไม่รู้เนี่ยเราจะลาเป็นคนจัดต่างหากแหละแต่นั้นพอรับอิสลามปั๊บเนี่ยทํำให้อิมานของเขาทำให้คนเนี่ยมีใจกล้าเพิ่มขึ้น เออคนที้รับอิสลามคนนี้รับอิสลา ม, นนลามเดี๋ยวนี่ดารารักรักมันเต็มเลยนะดาราก็รับมันยาวก็มีคนผู้หญิงชื่ออะไรนึกนึกนุกอะไรเนีอันแล้วไม่ควรจะติตามเขานะเอาพี่น้องตัลรงว่าสิฟธิอลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับอลัลลอฮ์สร้างมนุษย์มานะครับสองวันสังเกต น, นะ และอัลลอ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินนะ่ะในเวลาสี่วันอธิบายไว้นะสร้างมนุษย์เนี่ยแค่วันเดียวนะแล้วก็สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายนสะี่วันเพื่อต้องการจะบอกให้รู้ว่าอาหารริสุกีที่อัลลอ์รีเซฟเตรียมไว้สำหรับมนุษย์นั้นอัลลอ์สร้างกี่วัน4ีวันแล้วก็สร้างมนุษย์นะ่ะแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปกลัวอะไรอะ่ะ กลัว่าอาหารจะหมดโลกใคโหลกยะฮูดีมาหลกอาหารจะหมดโลกน้ำมันจะหมดโลกเครียดกันหมดแล้วใช่ไหมอัลลอฮฺอัคริสกีของ อ, อัลลออ้าวพะไอ้นี่มันหมดอัลลอเอาออ น, นี่มาแทนใช่ไม่ใช่ไอ้ น, นี่หมดเอาเดี๋ยวนี้คิดเรื่องโซลาเซลกันหมดแล้วคิดถึงโซลาเซลแล้ตา ม, มาอีกใช่ไห กันนี่นะับนนี้มาเลมาเรียนเราเนี่ยอันฟันตัพซีดเนี่ยาบอกอย่างมัสยิดหลังนี้เนี่ยถ้าจะติดไฟอย่างนี้นะสองรอยดวงนีนะ่ให้เสียประมาณแสนบาทเท่า น, นั้นเองโซลาเซลล์ขอจาอัลลอฮ์เนี่ยฟรีแต่เครื่องติดตั้งเนี่ยประมาณแสนบาทใช้ได้กี่ปีย5บปีไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟเลยถ้าบ้านก็ประมาณเท่าไรหมื่นกว่าบาทเอง1มื่นสองมืส ติดโซลาเซลล์นบนบ้านเนี่ยนะไม่ต้องจ่ายค่าไฟา ย, ายี่สิบห้าปีอ้าวมัย่างเงี้ยแสนหนึ่งแสนกว่ากว่าไม่ต้องจ่ายค่าไฟยี่สิบห้าปีอัลลอฮ์เอ า, อเอามาโทษแทนหมดแล้วไม่เห็นเลยหรือว่ามาเองไม่ใช่อลัลลอฮ์กำหนดทั้งหมดนะห้ามด้วยเลยจะได้ไม่ต้องไปกลัวเ อ, อ๊มีลูกเยอะลําบากหรือเปล่าลูกไม่มีปัญหาสร้างไปเถอะลูกอะ่ะแต่ขอให้ลูกมีอะไรนะมีอิมานมีศาสนาล้ามด้วยเลยเลยอักุบะ เอาพี่น้องไม่มีใครบนโลกดุนยาใบนี้จะมีใจบุญมากกว่าอัลลอ์จะไม่มีใครเมตายิ่งไปกว่าอัลลอ์ไม่มีแล้วผู้รับผิดชอบที่ดีที่สุดก็คืออัลลอฮ์อัลลอ์อลอเป็นผู้ที่อยู่ที่สูงสุดไม่มีใครเทียบเท่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้จะต้องพินาศกุลูชัยอินฮาลิกุนอินลาวจาจา เหลือแต่พระภาพของอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับถ้ามนุษย์มีความต้องการแต่ถ้าอัลลอ์ไม่ต้องการก็เกิดไม่ได้ถ้าหากเราไม่ต้องการแต่อัลลอ์ต้องการมันก็เกิดได้นี่ต้องเข้าใจต้องต้องตรงรนะต้องต้องอมานต่ออัลลอ์ในเรื่องเหล่านี้อะดูยกยกตัวอย่างง่ายๆวันที่นุมรุตจับ นบีอิบรอฮิมโยนใส่กองไฟแล้วก็ยิบรีเนลงมาหาท่านนาบีอิบรอฮิมถามให้ชันช่วยไหมนบีตอ ว, ว่าท่านฉันไม่เอาอัลลอฮ์ตอบดีมากแหลกถ้าอัลลอฮ์เนี่ยฉันเอาเพราะว่าอย่างนั้นอัลลอฮ์สั่งเลยกูนีบารดันวาสัลามันอาลออิบราฮิมไฟเอ๋ยจงเย็นไม่ใช่เย็นอย่างเดียวนะซาลามันให้ความสันติ ที่ใครสั่งอัลลอฮ์เห็นยังครับอัลลอฮ์บริหารโลกแบบ น, นี้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งเรารู้กันมาแต่บางทีเราไม่ได้คิดนะ่ะโอ้นั่นวันนั้นน่ะไฟเย็นนะพี่น้องเย็นเลยนบีอิบรอฮิมไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิน้นวันนั้นรับอิสลามไม่รู้ว่าเท่าไหร่สมัยนบับอิบรอฮีมนี่นะ่ะพอออกมาจากกองไฟเดินมาจากสง่างามอา้าวอัลลอฮฺหุ่นกบาดนี่นอะไรกันเนี่ย รับอิสลามวันนั้นอ่ะโอ้โหนี่วันนี้ดี๋ยวก็รออีกไม่ช้านะคนจะรับอิสลามทั้งโลกค่อยๆดูไปค่อยๆดูไปคงจะคงยังไม่จะร่นเราแล้วมั้ง น, นะเราอยากจะเห็นเหมือนกันว่าคนรับอิสลามอ่ะแต่วันนี้นี่ผ่านผมช่วงเดือนที่แล้วน่ะยี่สิบคนอ่ะมาเนี่ยอัลกุรอร์ฟรู้ทับอิสลาม บางทีก็เป็นลูปฝรัง่งลอหน้าตาสวยอัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็นึกถึงพวกเราใครม่แต่งงานน่ะมีม่ีมีแล้วนี่เจ้าสาวมีแล้วอัลลอฮ์วัดวัหน้าตาสวยอัลฮัมดุลิลลาห์อีหมานก็ดีร้องไห้อะครับอิสลามป้าบเนี่ยร้องไห้เลยอะถามพวกเราอะเป็นแขกมาทั้งน้นเลยเคยร้องไห้เพื่ออลัลลอฮ์มี้หม่ะแต่ราก็ประคองตัวเองได้ถึงขนาดนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะอัลฮัมดุลิลลาห์ อัลลอฮ์สร้างลูกอัลลอฮ์ถามว่าผู้เราเคยสังเกตไหมอัลลอฮ์สร้างตาสร้างปากสร้างเปลือกตาสร้างเล็บสร้างนิ้วมือสร้างหัวใจสร้างปอดสร้างสมองเคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมนี่นะเราไม่ได้ขอนะขอหรือขอเปล่าไม่ได้ขอเลยนะอัลลอฮ์จะสร้างตาฉันหน่อยสร้างปากให้ฉันหน่อย สร้างเปลือกตาให้ฉันหน่อยสร้างเล็บสร้างนิ้วมือสร้างหัวใจสร้างปอดสร้างสมองไม่เคยขอจากอัลลอฮฺอัลอลอฮฺให้โดยเราไม่ได้ขอสิ่งที่เราขออะไรบ้านรถเมียผัวใช่ไหมแล้วก็ที่ดินตนําแหน่งเกียรติยศขอไม่ ก, กี่ขอ้อและส่วนใหญ่อัลลอฮฺให้โดยเราไม่ได้ขอทําไม่ไม่นึกถึงอัละะอลอฮฺอะไรเยอะๆนะครับ เอาต่อมาอายาที ي ي ่เท่าไหร่นะอายาที่ยี่สิบสี่อามิตรคอรูมินดูนีอาลเลหอ ق و า ه ا ت ร ر ه ا ม ك ُ م هذا ذكرُم مايعَ و ذ ك ر ก م و ذ ك قبل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم م ع ر ض د و ن أم تخذوا من دونه آله قلها تبرهانكم هذا ذكر مما يأ وذكر من กับลีบัลอักษรุ่มไมยาลมนัลหุมูอริ่ดุันอัลลฮวัลัฮัวัยัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลััล บรรดาพระเจ้าย่อยๆนอกจากอัลลอฮ์มามาเป็นพระเจ้าบูชากันนั่นหรืออ้าเนี่ยเ AH ถามนะถามมนุษย์ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์นี่ที่ปฏิเสธอิสลามวันนี้ที่ปฏิเสธกูร์อาที่ปฏิเสธสุนนนะนบีวันนี้น่ะพวกคุณเนี่ยยึดเอาพระเจ้าย่อยๆนะมาเป็นพระเจ้าบูชากราบบนโลกใบนี้ใช่หรือไม่ใช่ถามครับ นี่เป็นพี่น้องนะมุสลิมเราที่กราบอัลลอฮ์เนี่ยบางทีก็กราบโต๊ะตะเกียดด้วยใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเราถามเองกราบโต๊ะตะเกียรดทําไมไปกราบโต๊ะระยองทําไมแตนี้บางคนไม่กราบโต๊ะระยองไม่กราบโต๊ะตะเกียดแต่ไปกราบสิ่งอื่น อ, ะอ่ะอย่างนี้อย่างโต๊ะโ๊ะเราสอนเรานะที่เป็นอะกีดาทั้งหมดนะเวลาสามสี่ทุ่มนกบันบินมาเนี่ยมาแคว๊ผ่านรังคาบ้านใจนึกอะไรขนตาย คิดได้ยังไงอ่ะเออถ้าอยู่ในใจก็โอเคไม่มีปัญหาถ้าพูดออกมาเนี่ยลูกน้านจะมีคนตาตายนาอะอ่าแสดงว่าเราเนี่ยเชื่อนกนี่เป็นอกีคตินะเป็นความเชื่อคนที่เชื่อแบบนี้นะเราก็ตายตายแ่เพอเข้าโลกลาตูกอดดิมูนีเอง็งอย่าพาฉันไปเลยถูกลงโทษนแน่ๆเพราะคิดผิดนะ่ะเห็นไหมเชื่อผิดคิดผิด แค่พักตายเราก็เยอะผมถามเลยแต่ว่านี่ทำไมไอ้หัวเรือต้อมีผ้าเขียวผ้าแดงผ้าเหลืองใหพันอยู่ที่หัวเรือเนี่ยบางคนก็ตอบดีว่าพันให้มันสวยเออถ้าอย่างนี้ทำเรือดีถ้าตอบว่าพันเพื่อปกป้องอ่าอันตรายจากลมพายุบ้างอะไรบ้างนี่นะเองระวังนะเตรียมตัวตอบอลัลลอฮ์ในวันเตียมะนะ อัดใส่โล่งก่นแล้วถูกข้อ ด, ดีมูนีกูตอบไม่ได้อยู่แล้วจะไปทางไหนอ่ะฉะนั้นระวังเรื่องอะกิดาเรื่องใหญ่มากเลยถ้าเรื่องอะกิดาถ้าคิดผิดนะอะกิดาผิดเนี่ยนะอลัลลอฮ์ลงโทษเลยถ้าถ้าอามานศาสนาอื่นจะนมาศขาดไปบ้างอ่าอย่างนี้อลัลลอฮ์อภัยโทษให้นะผิดเรื่องอื่นอื่นนะอลัลลอฮ์อภัยโทษให้แต่ผิดเรื่องชีริกเนี่ยอลัลลอฮ์บัดบัดหนักมากเลยฉะนั้นใจต้องอะไรนะ ต้องสะอาดกับ Allah, อัลลอค์องเดียวถึงอัลลอ์จะราะมาดลงมาที่หัวใจของคนคนนั้นนะครับอมิตตะคอูมินดูนีฮีอาลิฮะพวกเขาได้ยึดเอาบรรดาพระเจ้าย่อยๆนอกจากอัลลอ์เป็นสิ่งบูชากราบไหว้กันนั้นหรือเอามฮัมหมัดกุล อัลลอสั่งกับนบีนะโมฮัมมัดเออจงอไรฮาตูบุรฮานะกุมขอให้ท่านนำเอาหลักฐานบุรฮานไปวันหลักฐานวัน น, นี้พวกเราก็อ้างหลักฐานกันหมดอ้างนำมานำหลักฐานมานำหลักฐานมาเอา้าอย่างประกาศอะไรเช่นประกาศคนตายนอ่ า, นนะอามายยตนี้ <c oughs> เสียชีวิตแล้วใครมีหนี้มีสินก็ให้มาทวงมาถามได้กับพี่ชายคนโตพร้อมกับน้ำหลักฐานบุรหันหลักฐานมาว่ามีหนี้มีสินกับคนตายให้นำหลักฐานมานี่บุราานหลักฐานเอานะตัวลวงว่ากุลฮาตัวบุรหานะกุมมุฮัมมัดเอ๋ยขอให้ท่านเนี่ยนำหลักฐานของสูเจ้า มาให้ดูหน่อยนะหลักฐานอะไรใช่ไหมหลักฐานที่ว่านาบีคนใดบ้างที่สอนให้ทําชีริกต่ออ AH นะัลลอฮ์น่ะให้นําเอาหลักฐานมาไม่มีนบีคนใดในโลกสักคนหนึ่งอ่ะที่สอนให้ทําชีริกนะไม่มีไม่มีนบีคนใดให้สอนว่าให้ไปขอจากโตตะเกียที่รวมไปถึงพวกเราเหมือนกันเนะี่ยไปถึงมกักกาเนนะี่ย ไปขอที่อะไรรางอะไรนะร่างทองอ่ะสถานที่ตรงนั้นน่ะผมกลัวนะผมกลัวนะผมนึกนี่น้นึกแทนนะนะกลัวจะไม่เอาเอาลัลลอ์แล้วร่างทองจ้าร่างทองฉันมายืนตรงรางง่รางทองจะร่างทองจวยช่วยฉันหน่อยผมกลัวนะเออถ้าไปยืนตรงที่ร่างทอง แล้วขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยยางงี้ยังพอไหวนะผมกลัวจะทิ้นอัลลอฮ์แล้วอ่ะัลลอห์ไม่อาลแล้วอยู่ที่เมืองไทยก็อขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้มาที่ร้างท้องเอาร้างท้องดีกว่ามึงระวังระวังนะนี่ก็ชิริกนะเห็นไหมร่างท้องจะช่วยชะน้อยชะ ย, ย่าว ไ, ได้ลูกทําไงอ่ะที่ท้าไปขออัลลอฮ์ผ่านอัลลอฮ์ ที่รางทองเอองานโจโจ้ดิทำไมจะต้องรางทองด้วยละ่ะมันไม่มีนะ่งทํำไมต้องไปรางทองด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะไปลองกลัวจะอีะอย่างนึงไปเกาะที่ผ้าใบตุวล้อผ้าใบตุวล้อจะช่วยช น, นอยเธอไม่ใช่นะคำว่าวาซาเนี่ยว่าเป็นสือ่อสื่อด้วยอามันที่โซแล อต้องอธิบายใหม่อาหมั่นที่โซแรกเป็นสื่ออย่างนมาศเป็นสื่อการนมาศสุนทรสองรองอัดนี่เป็ น, น, นสืนออนนน่อนะถ้าไม่เราเข้าใกล้เอาล้อล้อจ๋ช่วยช่วยอยากมีภรรยาอยากมีสามีอยากมีลูก <c oughs> ให้เอาอามั่นที่โซแรกเนี่ยเป็นสื่อขอดูอาต่อรอทําก่อนแล้วขอดูอาที่หลังนะครับ <c oughs> ที่น้องระวังนิดนะ ไปอยู่ที่ร้านทองนะนะแล้วก็ไปก่อผ้าใบตุลล้อมาเนี่ยบางทีก็ไปตัดเอามาใส่ที่ตัวเองเราหวังว่ามีผ้าใบตุลล้อมาอยู่ที่ตัวผ้าใบตุลล้อเข้าเปลี่ยนทุกปีพอเปลี่ยนทุกปีก็จบแล้วสิใช่ไหมนะ่ะแล้วไปผ้าใบตุลล้อไม่จะศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเลยตัวกาบาเองก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ท่านไสซาอุมาตรนะี่ยพูดยังไงแล้วไหม กะบ่าเออเนี่พูดเลยนะกะบ่าเออที่ฉันมาหอมหินดำที่อยู่ข้างในเจ็ดเม็ดเนี่ยถ้าหากว่านาบี ม, ม, มุฮัมมัดไม่หอมให้ฉันเห็นนะฉันจะไม่จูบท่านอย่างแน่นอนใช่นาะอุมาดพูดนะวันนั้นไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ครับในโลกใบนี้ผ่าใบตุวลอกก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ร่างทองก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์อัลลอฮ์องเดียวหมดเลยท่นทิ้งไป ห, หมดพี่น้องก็ลายนะต่อมาครับ พูดหาตับุรฮานกุมนังหลับนําหลักฐานมาว่านบีคนใดบ้างที่สอนเรื่องนี้ฮาดาดิครูมังไ ม, ม่นี่เป็นข้อตักเตือนจากอัลกรุรอานที่อยู่กับฉันเห็นไหมนี่เป็นข้อตักเตือนจากกรุรอานที่อยู่กับฉันนะวัดิครูมังกอบลีและคัมภีที่มีอยู่แต่ก่อนหน้าฉันก็นํามาสิ คำพีตอรอซาบุตอินจีนมีไหมล่ะที่ว่ามีวักไหนบ้างที่บอกว่าให้ยึดเอาพระเจ้าย่อยมาเป็นที่พึ่งน่ะมีไหมในคำพีรุ่นก่อนก่อนก็ไม่มีคำพีรักุรอานก็ไม่มีบัลอาคสาลูฮุมลายาลาโมนัลฮักก็แต่ว่าส่วนมากของของพวกเขาไม่รู้ความจริงบางทีเราไม่ได้อธิบายกันนะเลยเลยไม่รู้ใช่ไหม ส่วนใหญ่ไม่รู้ความจริงฟาหุมมูอริลูนดังนั้นพวกเขาจึงหันหลังให้กับศาสนาให้กับ ala, อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์อัลเบตจะจบแล้วพี่น้องว่ามาอารซาลนามิงกับลิกมิรัสูลินอิลลานูฮีอิลย أنه لا إله إلا أنا فاعبودون وما أرسلنا من قبلك من ر س و ل إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا ف ا ع ب د و ن الحمد لله อาย่านี้ดีมากนะทำให้เราสว่างนะทำให้ตาสว่างอาย่านี้ และเราอัลลอ์มิได้ส่งรสูลคนใดก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดมิ่งกอบลิกาไปว่าก่อนหน้าเรานี่นะอัลลอ์เนี่ยไม่ได้ส่งรสูลคนใดก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดมีอยู่กี่ท่านยี่สิบสี่ท่านที่มีชื่อที่ไม่มีชื่อมีเป็นแสนอิลลานูฮีอิไลนอกจากเราได้วะฮี แก่เขาตกลงว่าที่ที่ที่มีนบีมาก่อนหน้ามุฮัมมัดนั้นติดต่อกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาเลยมีวาฮีลงมาหาบรรดานาบีทั้งหมดไม่มีใชาตอนฉะนั้นนบีทั้งหมดที่มาก่อนหน้านบีมุฮัมมัดทั้งหมดในโลกนี้นะยี่สิบสี่ท่านเนี่ยติดต่อกับอัลลอฮ์ตลอดเลยวันนี้เราก็เหมือนกัน เชื่อ น, บ, อนบีมุฮัมมัดพราะนบีมาเป็นคนสุดท้ายเป็นนบีที่ดีที่สุดแค่นั้นคนที่เชื่อนบีเอาความรู้จากนาบีมาปฏิบัติเนี่ยคนนี้เป็นคนที่อัลฮัมดุลละซาตที่สุดนะครับอัลลอฮฺว่าใมาว่าไงทุกนบีนบีมุฮัมมัดด้วยว่าอันนาหูลาอิลาฮิลาอานะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉัน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดในโลกนี้ที่บริหารโลกเนี่ยฉันองค์เดียวเท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆไม่มีทุกนบีเาลาติดต่อกับนบีทุกคนเนี่ยฉันนี่เป็นพระเจ้านะฉันนี่เป็นรอบนะฉันนี่เป็นผู้ดูแลนะฉันเป็นคนให้มนุษย์เป็นให้มนุษย์ตายนะนะครับดังนั้น ฟ้าบูดูจงเคารพพักดีกับฉันคนเดียวองค์เดียวเท่านั้นอย่าไปเคารพสิ่งอื่นจากนั้นไม่ต้องไปผูกตะกรุดไม่ต้องไปผูกอะไรนะข้อมือเนี่ยนะใครกะไรนะปมะอะไร อ, นอันหรอกใครที่ไปห้อยตะกรุดห้อยนู่นห้อยนี่นะถ้าเราไหวใจในสิ่งนั้นนี่แหละเป็นชริกทั้งหมดเลย ผมยกตัวอย่างนั่ น, นไอ้อะไรนะรามทองระวังน่ะเพราะเราทําอุมรอกันไปยังไหลเที่ยวเลยไปยืนที่รามทองเนี่ย<ม> <c oughs> ผู้หญิงน่เยอะมากอ่ะเออมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งไปขอดะอาอย่างงี้รามทองจะให้สามีฉันน่ะมีมิส ม, ม, มีพระยาคนเดียวคือฉันนี่แหละสามีก็ไปยืนบ้างอยากรอจ๋าขอให้ฉันได้มีภรรยาเกินหนึ่ง อัลลอฮฺไปน้องทาไมไปเดินตามกุอ่านนะอัลลอเดินตามกุอ่านซะอัลลอว่าอย่างไงก็เดินตามนั้นแหละใช่ไหมถ้ามีความสามารถก็เกินหนึ่งได้ถ้าไม่มีความสามารถคนเดียวนั่นแหละบริหารให้ดีเถอะนะสุบฮานาะลลอฮมะวะบิฮัมดิฮลลอฮิาิลาตอัสตวกวะตูบุอิลสาลามุอะลัยุมุลล์มะตุลลอฮะบรกตู